วันนี้วันเข้าพรรษาเดี๋ยวนี้วันเข้าพรรษานะพระจะเหลือน้อยตอนนี้เหลือพระประมาณแสนแสนแส น, น่อยๆเมื่อก่อนลองถามพวกเราดูพระมีแสนกว่าเนะียเชื่อว่าเป็นพระมีศีลสักกี่องค์อะไรเงี้ยสักกี่เปอร์เซ็นต์แหมโยมบอกไม่ได้ห้าเปอร์ซ็นะ์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 อยู่แบบกับปัจจุบันจริงๆนะเพราะเราไม่เห็นอนาคตไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่<ม>แค่คิดว่าสังคมเราจะเรียบร้อยสงบสุข<ม>หวังยากนะยากเดี๋ยวนี้เด็กๆ เ, เขามีท่าอะไรนะแพลงกิ้งรู้จักไหม <laughs> บางคนก็แข่งกันนั่งพับเพียบใช่ไหม พวกเรานั่งเก่งกว่าเรานั่งกันมานานแล้วนั่งพับเทียบจะนั่งให้ถูกท่าให้ไหมต้องน <c oughs> ั่งยอดถือดูหาสารหาแก่นสารอะไรไม่ได้เลยชีวิตไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรสนุก <c oughs> เพลินๆ <c oughs> กันวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นะมันเป็นชีวิตจะไปว่าเขาประมาทก็ว่าไม่ได้นะเขาไม่รู้น่าสงสาร คนในโลกนะั้นมันก็ตะเกียกตะกายไปอยากหาความสุขกันทุกคนแนหะแต่มันหาไม่เป็นมันถูกหลอกให้มีแต่กิเลสตัณหาถูกย่ยุให้มีกิเลสตัณหาหนักขึ้นเรื่อยๆยิ่งกิเลสเยอะก็แว่ยิ่งดีเนาะยิ่งเราต้องเตรียมความพร้อมนะเราจะไปหวังอะไรเนี่ยเราไม่มีความหวังนะ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 โอ้มีคนถามได้หลายคนอนัตตลักษณะสูตรอนัตตลักษลักษณะลักษณะของความไม่ใช่ตัวตนท่านไล่เลยตั้งแต่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายดูคราพริสูจทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็น ไ, ไหมไล่ถึงความเที่ยงหรือไม่เที่ยงท้าปัญจวัคคีย์บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะท่านก็ถามต่อ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 ท่านสอนตรงนี้ต่างหากงั้นมันไม่มีคำว่าเที่ยงหรือคำว่าขาดศูนย์ถ้ายังมีเหตุก็มีอีกถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีงั้นอย่างตายแล้วเนี่ยจะเกิดอีกไหมถ้ามีเหตุก็เกิดถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เกิดถ้าไม่ได้สุดโตงไปข้างว่ามีหรือศูนย์มีอมตะหรือว่าศูนย์ไปเลยสิ่งทั้งหลายสัมผัสทั้งสิ้นเลยความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นของสัมผัสทั้งสิ้น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 โดยเฉพาะมาเรียนรู้อยู่ในกายในใจของเราเนี่ยถึงวันหนึ่งจิตมันสรุปความจริงได้ว่าทุกอย่างนะรวมทั้งกายทั้งใจของเราด้วยรวมทั้งโลกภายนอกด้วยมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนเรียนรู้ตรงที่กายที่ใจตัวเองนี่นะะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจโลกข้างนอกด้วยอย่าไปเรียนจากโลกข้างนอกนะอ้อมค้อมเรียนโลกข้างนอกเห็นโลกข้างนอกไม่เที่ยงแต่ตัวเรายังเที่ยงอยู่นะี่เสียเวลาต้องมาล้างตรงที่ตัวเรานี่อีก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 มีส่วนหนึ่งเห็นได้มีส่วนน้อยลงไปอีกนะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะยอมรับได้ไหมกายไม่ใช่เราบางคนก็ยอมรับได้บางคนก็ยังหยอกไม่ไดนะ้ถึงเห็นว่าไม่ใช่เราก็ยังรักยังยึดถือนะควรละอันกันนะระหว่างความเห็นกับความยึดถือนะี่ควรละอันกันนะความเห็นเรียกว่าทิฏฐิความยึดถือนะเรียกว่าอุปาทานเป็นองค์ธรรมคนละชนิดกันเรามีความเห็น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 ฝิ่งฟังหลวงพ่อเทศเรื่องจิตไม่ใช่ตัวเราต้องทำลายผู้รู้อะไรเงี้ยนะไม่ยึดถือจิตเห็นจิตเป็นทุกข์เราก็ตอบได้เย้งเลยนะถ้าวันใดเห็นจิตไม่ใช่เราก็เป็นพระโสดาวันใดไม่ยึดจิตก็เป็นพระอรหันต์ตอบได้หมดเลยเพราะฟัง4ีดีมาจ ะ, ะ, ะต้องภาวนาภาวนาไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราก็เห็น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 นะถ้าเมื่อไรใจยอมรับความจริงนะว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเรายอมรับก็จะเป็นพระโสดานะถ้าวันใดใจยอมรับความจริงใจเห็นอย่างท่องแท้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์หาสาระแกนสารไม่ได้เลยไม่ควรยึดถือนะยึดก็คือยึดเอาอ ก, ก้อนทุกไว้เหมือนไปถือฐานไฟแดงๆไว้ในมือจิตมันจะสลัดขันห้าคืนให้โลกเป็นพระอรหันต์นะ